วรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาวัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยสร้างกุติกรรมฐานนางแต้มพันยากำนันเขียวถือโอกาสอ้างคุณความดีของสามีไปเกณฑ์พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาได้อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างอาคันตุกะทั้งสามยกเว้นพวกหนุ่มๆที่พากันเข้าใจว่าตากับยาย พาหลานสาวมาบำเพ็ญมหากุศลจึงต่างคนต่างหมายมั่นไว้ในใจว่าจะต้องทำให้สาวน้อยสนใจตนเท่านั้นหนุ่มที่ฐานะดีกว่าเพื่อนดูมีความหวังมากกว่าใครๆด้วยคิดว่าหากสองตายยายจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นมากมายสักเพียงใดตนก็จะทุ่มจนสุดตัวแม่สาวน้อยผู้นี้หรือ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 กุติกรรมฐานดำเนินต่อไปกระทั่งตกค่ำจึงเสร็จเรียบร้อยนางเอิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบครอบหล่อนให้โบกปูนรอบเสาทุกต้นเพื่อใช้หล่อน้ำกันไม่ให้หมดหรือปลวกขึ้นกุติมาสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอันว่ากุติกรรมฐานถูกสร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นเงินหนึ่งช่าง ตามที่โยมบาลสั่งมาทุกประการสาวน้อยมีอาการปิติยังเห็นได้ชัดหล่อนประนมมือไหว้ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่มาช่วยสร้างพวกหนุ่มๆต่างแย่งกันยกมือขึ้นรับไหว้หมายจะได้ศบตากับสาวน้อยเนนเฉลียวเห็นแล้วก็ให้นึกขำแล้วก็นึกเข้าข้างตัวเองว่ามิใช่ท่านเข้าใจผิดแต่ผู้เดียวหรอกพวกหนุ่มๆเหล่านี้ ก็มาแบบเดียวกันกับท่านอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนพี่ปุ่นจ๊ะฉันว่าเราคงจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อท่านค้างที่นี่อีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วค่อยพากันกลับวันนี้ก็ค่มแล้วคงกลับลำบากหรือพี่ทองคำจะว่ายังไงจ๊ะหลนถามพัญญาใหม่ของสามี พวกหนุ่มๆได้ฟังก็รู้สึกเอกใจสาวสวยน่าจะเรียกนายปุ่นว่าตาแต่กลับเรียกพี่ปุ่นมันชักจะยังไงยังไงชอบกลหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงถามนางแต้มขึ้นว่านะแม่สาวคนนั้นเขาเรียกลุงนั่นว่ายังไงนะผมฟังไม่ถนัดนางแต้มจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัยว่าเขาเรียกพี่จะ้ะ ก็เข้าเป็นผัวเมียกันแม่หนูเนี่ยเป็นเมียเก่าส่วนป้าคนนั้นเป็นเมียใหม่อะไรกันนี่นะยังสติดีอยู่หรือหรือว่าตัวผมสติเสียถึงได้ฟังนาะพูดไม่เข้าใจนางเต้มรู้สึกขำจึงตอบว่าเออทั้งเองทั้งข้าไม่มีใครเสียสติหรอกเรื่องมันยาวเอาเถอะข้าจะเล่าย่อๆให้เองเข้าใจ คือว่าแม่หนูคนนี้เขาเคยเป็นเมียของตาปุ่นเมื่อชาติที่แล้วทีนี้เขาเกิดระลึกชาติได้จึงขอพ่อแม่มาอยู่กับผัวส่วนตาปุ่นหลังจากเมียตายก็ได้แต่งงานใหม่กับน้าคนนั้นเขาเลยอยู่กันแบบสามคนผัวเมียทำไมแม่สาวคนนี้แกถึงได้คิดสั้นยังงั้นล่ะอยู่ดีๆมามีผัวอายุคราวปู่คราวตา หนุ ne, wrong, ่มๆมีต like ั้งเยอะแยะทำไมไม่เลือกหนุ่มน้อยพูดเสียงตาหนินึกเสียดายใจแทบขาดเสียดายความสาวความสวยของหลอนก็คนเขาเคยมีบุญคุณกันมาแล้วอีกอย่างเขาต้องทําตามคําสั่งของยมบาลไม่เช่นนั้นจะต้องกลับไปตกนรกหนายิ่งพูดผมก็ยิ่งงงแต่เอาเถอะไหนๆผมก็ออกหักแล้ว คงไม่คิดจะแย่งชิงเมียคนอื่นหรอกคลั้นจะรอให้ผัวหล่อนตายไอ้ผมก็เห็นจะรักไม่ลงผมไม่อยากเป็นสองรองใครหนุ่มผู้นั้นพูดอย่างตัดอกตัดใจได้แล้วลุงพ่อหนูกับพี่ปุ่นเห็นจะต้องขออนุญาตค้างที่วัดอีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วจึงจะพากันกลับ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 จะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นการสมควรตกลงว่าหนูจะอยู่ที่สาราหลังเดิมก็แล้วกันหลังจากทำวัดเย็นแล้วหนูจะขอกรรมฐานหลวงพ่อกลางคืนจะให้แม่ชีสอนเดินสอนนั่งให้แล้วจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านอันที่จริงหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากเมืองนรกแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่เคยปฏิบัติอีกเลยเหลือเวลาอีกห้าปี หนูก็จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วเวลาที่เหลือหนูจะเพียรสร้างแต่กรรมดีจะไม่ทำกรรมชั่วอีกเลยจ้ะหล่อนเรียนสมภานวัดป่ามะม่วงตามที่ยมาบาลกํากชับมาด้วยไม่ประสงค์จะกลับไปเมืองนรกอีกดีแล้วล่ะหนูว่างๆหลวงพ่อจะไปเยี่ยมที่บ้านนะจะได้ไปดูว่า จริงอย่างที่ยมาบาลพูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอีกห้าปีค่อยเจอกันท่านรู้ว่าบุคคลทั้งสามจะไม่ได้กลับมาที่วัดป่ามะม่วงอีกเพราะกลับไปจากวัดนี้ไม่นานนายปุ่นจะเป็นอมพาสไปไหนมาไหนไม่ได้ และแม่หนูะอิ่งก็จะคอยปรนิบัติสามีเป็นการทดแทนบุญคุณบานพ้มไปลำบากหน่อยนะครับลวงพอต้องเดินกลางถุ่งใช้เวลาตั้งครึ่งขอนวันแต่ลวงพอยังหนุ่มยังแน่นถึงอย่างไรก็คงลำบากน้อยกว่าพ้มนายปุ่นกราบเรียนไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาเคยเดินทางไกลมาหลายครั้งหลายหน ก็ถือคติตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางเรื่องความอดทนอาตมาได้นิสัยมาจากโยมยายสมัยเป็นเด็กอาตมาตื่นตีสามหาของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งห่างจากบ้าน14กิโลเมตรแล้วก็ต้องขายให้หมด เพื่อจะกลับให้ทันไปโรงเรียนชีวิตลำบากมามากแต่ก็ดีเพราะทำให้อาตามาไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปสมพานวัดป่ามะม่วงเล่าความหลัง ตอนสายของอีกวันหลังจากทําบุญถวายกุฏิกรรมฐานซึ่งเป็นหลังแรกของวัดป่ามะม่วงแล้วนายปุ่นก็พาพญาทั้งสองกราบลาสมพานกลับบ้านที่อำเภอท่าตะโกซึ่งการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลเพราะนอกจากจะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเรือตั้งครึ่งค่นวันแล้วยังต้องเดินอีกประมาณ20กิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ไปอีกไกลโขนับตั้งแต่วัดมีกุติกรรมฐานหลังแรกซึ่งพระเจริญมักจะบอกกับญาติโยมว่าสร้างโดยหญิงสองร่างนางสองชาติก็มีผู้ใจบุญใจกุศลมาสร้างให้อีกหลายหลังแต่ไม่มีหลังใด สร้างได้สวยงามและสิ้นเปลืองเงินน้อยเหมือนหลังแรกโดยเฉพาะที่แตกต่างมากคือไม่ได้โบกปูนรอบเสาวไว้หล่อน้ำจึงนับว่ากุฏิกรรมฐานของอิงสองร่างนางสองชาติเป็นหลังแรกและหลังเดียวที่ไม่มีช่างคนใดสามารถเรียนแบบได้แม้เจ้าของผู้มีจิตศรัทธาจะบงการให้ช่างสร้างให้เหมือนทุกอย่างยกเว้นเรื่องราคา ซึ่งแม้จะสูงปานใดก็ไม่เกี่ยงกระนั้นก็หาผู้สร้างให้เหมือนไม่ได้โยมผู้หนึ่งถึงกับนำเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษากับสมภารท่านกลับตอบว่าไม่มีใครสร้างได้หรอกโยมเพราะโยมมาบานไม่ได้สั่งมาถ้าโยมอยากให้เหมือนก็ต้องไปตกนรกแล้วให้ยมมาบานท่านสั่งมาเสียก่อน ท่านแนะนําชนิดพูดง่ายแต่ทํายากเกิดท่านไม่สั่งละครับผมไม่กล้าเสี่ยงหรอกแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทํากรรมอะไรถึงจะตกนรกแล้วยมพบาลสั่งให้มาสร้างกุติกรรมฐานแก้กรรมพระเจริญรีบตอบว่าก็ขโมยข้าวตกสีโยมใครเขาเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ่อนๆไว้ในนาโยมก็ไปขโมย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 เรียกว่าตกทั้งสองนรกเลยคือนรกชาตินี้และนรกชาติหน้าผมว่าถึงจะสร้างกุติกรรมฐานได้ไม่เหมือนของแม่หนูสะอิ้งก็ไม่เป็นไรเคยแต่ทํากรรมดีมาตั้งแต่จำความได้เรื่องอะไรจะมาสร้างกรรมชั่วเอาเมื่อแก่คำพูดของบุรุษนั้นทำให้พระเจริญถึงกับเจ็บจิตจีในหัวอกรีบบอกเขาว่าดีแล้วเหรโยม อาตมาขออนุโมทนาเอาละอาตมาเห็นจะต้องขอตัวไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาที่บนศาลาวันหลังค่อยมาคุยกันใหม่ถ้ามีเวลาก็มาเข้ากรรมฐานสะสมบุญไว้นาโยมนะกลับท่านผมตั้งใจไว้ว่าจะลางานสักเจ็ดวันมาปฏิบัติธรรม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 เรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ญาติโยมตลอดจนเรื่องการปกครองสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวท่านทําไม่ได้หากเป็นสมภารที่รังแต่จะถ่วงความเจริญก้าวหน้าของวัดและที่ท่านถูกใจพระหนุ่มมากที่สุดเห็นจะได้แก่ชาตรากระต่ายและน้ําตาลตโนดที่ท่านได้รับการถวายอย่างสม่ําเสมอ หลวงตาเฟื่องนั้นเล่าเมื่อสมพานไม่ได้ว่ากไกรต่อความประพฤติของตนก็ไม่ได้มีอคติต่อสมพานหนุ่มมีอยู่ครั้งเดียวที่สมพานเห็นท่านกําลังเก็บน้อยหนาใส่ย่ามไปให้ลูกหลานและถูกเตือนว่าหลวงตาเฟื่องการกระทำเช่นนั้นมันบาปนะนําของสงไปให้ลูกหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวัง ตายไปจะเกิดเป็นเปรตท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่เคยพูดอีกและหลวงตาเฟื้องก็ยังคงปฏิบัติอย่างที่เคยเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารพูดที่มาบวชก็เพราะถูกเมียบังคับมิได้มาด้วยศรัทธาเมื่อจำนวนพระในวัดมีมากขึ้น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 ญาติโยมชาวอำเภออินบุรีส่วนใหญ่ฐานะดีจังหวัดสิงห์บุรีราษฎรที่มีฐานะจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนอำเภออินบุรีและบ้านที่มีงานในวันนี้ก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐีภัตหารที่เขาทำไวส้สำหรับพระสงฆ์จึงมีแต่ของดีๆเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีปลาเพราะจังหวัดสิงห์บุรี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 ที่พระเจริญสามารถฉันได้กระนั้นท่านก็ฉันไม่ลงด้วยนึกไปถึงพระลูกวัดที่ต้องอดอดอยากๆยากตัวท่านเป็นสมภารจะสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวดูกไกลอยู่เมื่ออดก็ควรอดด้วยกันจึงจะถูกคิดได้ดังนี้ก็รวบช้อนนั่งรอรูปอื่นฉันพระที่นั่งติดกับท่านกำลังเพลิดเพลินในรถ จึงมิทันได้สังเกตในตอนแรกต่อเมื่อฉันได้ครึ่งท้องจึงหันมาถามท่านสมพานทำไมอิ่มเร็วจังหรือว่าอาหารไม่ถูกปากเปล่าหรอกเราเป็นพระภิกษุขืนคิดอย่างนั้นก็ผิดวินัยแย่สิแต่ที่ผมฉันไม่ลงเพราะนึกถึงพระลูกวัดพวกเขาต้องอดอดอยากๆยาก เพราะชาวบ้านแถวนั้นค่อนข้างยากจนใส่แต่ข้าวเปล่าผมกับพระลูกวัดต้องฉันข้าวคลุกน้ำปลากันแทบทุกวันพอมาเจออาหารดีๆผมเลยคิดไปว่าตัวเราได้ฉันอาหารดีอย่างนี้ขณะที่ลูกวัดอดอยากทำให้ผมไม่สามารถจะฉันต่อไปได้สงสารพวกเขาจนน้ำตาแทบร่วงเลยเชียวละ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 ก็คงจะเป็นเหมือนหัวอกพ่อแม่ถ้าลูกกินอดอดอยากอยากพ่อแม่จะมานั่งกินอย่างสุขสบายในพัตะขารได้อย่างไรจริงของท่านผมเองก็เป็นสมพานเวลาที่ลูกวัดเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็เป็นกังวลกับเขาคงจะเหมือนพ่อแม่เป็นทุกข์ตอนลูกป่วยนั่นแหละ ภิกษุที่นั่งทางขวามือพระเจริญพูดขึ้นบ้างแต่ผมเห็นท่านฉันเอาชันเอาไม่เห็นฉันไม่ลงเหมือนกับท่านเจริญเลยภิกษุรูปเดิมแย้งสมภารรูปนั้นจึงกล่าวแก้ว่าก็ที่วัดผมไม่อดไม่อยากชาวบ้านเขาอยู่ดีมีสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เลยเผื่อแผ่มาถึงพระผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องของลูกวัด ห่วงแต่ตอนพวกเขาอ า, าพาธเจ็บป่วยนั่นสิครับใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมภารเจ้าวัดนั้นขมขืนแค่ไหนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้พระเจริญพูดกับภิกษุผู้มีตำแหน่งเป็นสมภารวัดเช่นเดียวกับท่านในการข้างหน้าเมื่อท่านมาเป็นสมภารแล้วจะรู้เองนะท่านเจริญนะ สมภารพูดกับพระรูปนั้นแล้วหันมาขอคำรับรองจากสมภารวัดป่ามะม่วงครับพระเจริญตอบยิ้มยิ้มขณะนั่งรอให้รูปอื่นๆชันเสร็จจากนั้นเจ้าภาพประเคนจตุปัจจัยทยธรรมภิกษุทั้งก้ารูปยะถาสพีคือกรวดน้ำให้ผู้ล่วงรับและให้พรผู้ที่ยังอยู่เสร็จพิธีแล้ว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 หน้าตาผ่องใสมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสน ก, กิจคงมีแต่พระหลวงตาสองรูปเท่านั้นที่ต่างไปจากรูปอื่นๆกล่าวคือแทนที่จะปฏิบัติศาสน ก, กิจรูปหนึ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับวัดขนผลไม้รากไม้และขนมนมเนยที่เป็นของสงนำไปฝากลูกหลานที่บ้านส่วนหลวงตาอีกรูปก็นั่งสูบยาเส้น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 สมภารเจริญก็คิดว่าสมควรที่จะทำวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักวิปัสสนาอย่างเป็นทางการจึงคิดจะไปอาราธนานิมนต์พระอุดมวิชยานหรือท่านเจ้าคุณโชดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมาทำพิธีเปิดท่านตั้งใจจะเดินทางไปบางกอกในวันที่สองกุมภาพันธ์2502สอง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 ภาพของหลวงพ่อสดก็มาปรากฏในนิมิตผิวพรุ์ของท่านผ่องใสดวงหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาท่านพูดกับสมภารวัดป่ามะม่วงว่าที่เรามาพบเพราะจะมาแจ้งข่าวให้เธอทราบข่าวอะไรหรือขอรับเจ้าคุณหลวงพ่อพระเจริญถามในนิมิตกรรมฐานเช่นกันแจ้งข่าวทั้งโลกก่อนนะ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 ในวันที่สามกุมภาพันธ์2502เธอจะเข้าบังกอกวันที่สองคงได้มางานศพเราท่านเจ้าคุณโชดกท่านก็คงมาเพราะท่านเป็นอาจารย์ของเราเรื่องที่สามสำคัญที่สุดขอให้เธอจดจำไว้และทำให้ได้อย่างเราคือเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีก แล้วเราก็ได้ลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่เราได้ถ่ายทอดวิชาสติปัฏฐานสี่ให้เขามีศัก์เป็นหม่อมเจ้าแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้แม้แต่เราเขาก็ไม่บอกศิษย์ผู้นี้เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นอาจารย์สอนอยู่สิริราช กเกษียณอายุแล้วมาบวชเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนแรกของเราเป็นคนสำคัญมากขอให้เธอจำชื่อเขาไว้ให้ดีพระวิน ญ, ญาคือชื่อของเขาหมดธุระของเราแล้วเราไปแล้วนะแล้วนิมิตนั้นก็หายไป